ลูกหลานไข่เสียงมีลูกเนาไปออกไว้ข้างนอกก่อนนะแต่จะรบกวนหมูนะโน่นเราไปเดินเดินอยู่ข้างนอกก่อนลูกหลานมันใหญ่ขึ้นก่อนยังค่อยเอามาแต่มันออแอ้อยอ้อยนะรบกวนหมูพวกเพื่อนเอาไว้ออกไปไกลๆก่อนมันเป็นหนุ่มซะก่อนยังค่อยมาฟังหลว ง, งตาเทศมาเดี๋ยวนี่มีแต่มารบกวนหมูพวกเพื่อนออกมา <laughs> พูที่ฟังเสียสมาธิในการฟังเด็กน้อยเด็กรบก ว, วนเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอาเด็กไปที่ไหนเราต้องดูเอาไปเก็บไว้ก่อนเอาอยู่ห่างๆก่อนอเสร็จแล้วจึงค่อยเข้ามาทากว่ากำลังพดนะเด็กมันวิ่งเพลนพ่านหลวงตามหาบัวไม่ได้ท่านดุแต่ลงพ่อไม่ดุแล้วลุงพ่อมีตะบอกอบอกให้ทราบ ว่าเป็นการลุ ก, กวนคนอื่นเร า, เอาออกไปไปขังนอกกอนถ้าเป็นเด็กที่อยู่มันหยุดในความสงบแล้วก็เออออกมามานั่งฟังมันเป็นทายาทของพวกเราทั้งหมดอเด็กเรานี่มีแต่พวกเราก็แก่เท่าตายไปเท่านั้นเองอลูกหลานเนี่ยจะเป็นทายาทของพุทธศาสนาต่อไปภายภาคหน้า วันนี้เป็นวันที่อาทิตย์ที่8มีนาคมพุทธศักราช2องพหร้อยห้าสิบแปดหลวงพ่อออกจากวัดไปตั้งแต่วันก่อนไปงานของหลวงพ่อประสงค์วัดป่าบ้านใต้วัดหลวงปู่สุพัฒ์ ที่ตกเครื่องบินปีสองสามเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาแต่นี่นก็ทายาทลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็นามาเป็นเจ้าอาวาสพรรษาก็สูงอยู่นะสามสิบหกพรรษาแล้วก็บวชมาอายุกว่าห้าสิบแปดอายุมากอยู่ แล้วก็ท่านไม่สบายป่วยหลวงพ่อก็เลยไปลักษณะต่างไปเยี่ยมเยียนแล้วก็คณะทายาติโยกก็ก็ทําบุญครบรอบวันเกิดของท่านด้วยหลวงพ่อก็เลยไปนอนไปพักที่วัดของท่านแต่ในมนฑล <c oughs> ท่านก็ในมนฑลแสดงธรรมในคืนวันนั้นน่ะวันที่ไปวันที่หก แต่พอไปถึงแล้วไฟฟ้าดับปุบดับปับในงานเพราะไฟฟ้าไม่พอไฟไปไม่พอห <c oughs> ลวงพ่อกรับโอถ้าเป็นลักษณะนี้หลวงพ่อไม่ลงไปหรอกวะหลวงพ่อก็เลยพักพ่อนเลยพรุ่งนี้เช้าเขาคิดว่าจะจบไปละบิณฑบาตรักทาญาติโยมพระทั้งหลายเขาบอกว่าในโมนฑลขอหลวงพ่อกล่าวปารบเรื่องงานสักหน่อยหลวงพ่อก็เลยกล่าวปารบเรื่องงาน ตอนเช้าวันที่เจ็ดเมื่อวานนีพอฉันจะหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อกับออกเดินทางไปชมวัดของท่านพระอาจารย์ตุ๊ที่เคยมาทำงานร่วมเราเกี่ยวกับน้ำหลวงปู่จ้าบังคุณไม่ชีแก้วบงังเราก็ไม่เคยเห็นวัดท่านก็เลยไปเมื่อวาน ấy. โอ้ไปท่านก็ พัฒนาป่าปลูกปลูกป่าเร่กว้างขวางเป็นคนที่มีเป็นสุมพานหัวก้าวหน้าเกี่ยวกับปลูกปลูกป่านะปลูกกระทั่งผักผักวานนะผักวนันเนี่ยปลูกยากนะแต่ท่านปลูกโอโ ห, โหเต็มไปหมดในวัดของท่าน <c oughs> จากนั้นก็มาพักวัดที่ท่า น, น, นรัตนอำเภอเพนเพื่อจะรอเข้ามางะ มางานของหลวงปู่จันสมเพราะว่างานเขบพรอบหลวงปู่จันสมอีกเมื่อวานหลวงพ่อก็เลยเดินทางจากวัดทันรัตนมาถึงวัดหลวงปู่จันสมประมาณหนึ่งทุ่มก็ได้ร่วมสวดงานของหลวงปู่จันสมกูบาอาจารย์ก็ได้มอบหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมเมื่อคืนก็ได้แสดงธรรมที่วัดหลวงปู่จันสม พระเยอะอยู่นะพระ <c oughs> พระเป็นหลายร้อยองคนะ์น่าจะถึงสองร้อยคงพอคิดว่านะอาจจะ ก, กว่าตนะั้งข้างนอกข้างในด้วยพี่น้องประชาชนก็มากพอสมควรจากนั้นคุงพ่อกลับมาถึงวัดเกือบสี่ทุ่มเมื่อคืนนะไปตั้งแต่วันก่อน <c oughs> กลับมาถึงวัดสี่ทุ่ม แต่วันนี้ถ้าหากว่าหลวงพ่อไม่เหนื่อยแล้วหลวงพ่อจะคิดอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อจะเพราะพระหมอบัณฑิตที่ถูกประชุมเพลิงและถูกฆ่าตายเมื่อวันที่หนึ่งมีนากว่าวันนี้เป็นวันครบรอบอาทิตย์หนึ่งทําบุญเจ็ดวันหลวงพ่อก็เลยมอบให้ท่านรัตนะเป็นผู้ดูแลเพราะท่านก็รู้จักมักคุ้นกัน หลวงพ่อเออพ่อไปไว้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยนี่แหละถ้าไปทุกงานก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแต่ถึงอย่างานก็งานไหนก็สำคัญสำคัญก็สาคัญจริงๆในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าแต่ถึงอย่างไรก็ขอให้พวกเราคณะรัตยาจมทุกทุกท่านทุกๆกหมู่เหล่า หลวงพ่อไปนะักสถานที่ใดมีแต่บอกกล่าวแนะนำพี่น้องประชาชนอยู่ในกรอบของสิลิและธรรมนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมนะชีวิตของพวกเราเนี่ยานดูแล้วมันไม่ยืดยาวนะให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมบูรณ์กุศลเอาไว้ถ้าเรามีหลักกิตหลักใจดีแล้วอยู่นะักสถานที่ใดมันดีทั้งหมด จิตใจของเราเลื่อนลอยจิตใจของเราหาหลักยึดไม่ได้ไม่รู้เราจะยึดอะไรใจของเราก็ออลวนเละหาความสุขไม่ได้นะแต่เพียงทรัพย์สมบัติอย่างเดียวไม่เพียงพอการแ ส, สวงหาทรัพย์สมบัติใช่มันเป็นอาหารเลี้ยงทั้งร่างกายแต่จิตใจหิวโหวย จิตใจไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องยึดเหนียวเรามีแต่สมบัติภายนอกอย่างเดียวหาความสุขไม่ได้เพราะนั้นเราต้องยึดทั้งสองอย่างอาหารใจก็คือความถูกต้องคือความเป็นธรรมคือบุญกุศลเราสร้างคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจอันนั้นอาหารจิตทางใจส่วนอาหารร่างกายก็คือ ข้าวน้ำโภชนาอาหารปัจจัย4เราต้องสแสวงหาไปทั้งเป็นคู่กันทั้งสองอย่างนั่นแหะถ้าหากใครบริหารได้ทั้งสองอย่างแล้วชีวิตทั้งชีวิตของผู้นั้นก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขลึ ก, ล ก, ลกในจิตใจแต่ถ้าเรามีแต่แ ส, สวงหาแต่ปัจจัย4ี่อย่างเดียวไม่ได้แ ส, สวงหา ขุนธรรมเข้าสู่จิตใจถึงจะมีมากมายล่ารวยเงินคำทรัพย์สมบัติมากมายมีครบทุกอย่างได้ทุกอย่างแต่จิตใจทางส่วนในส่วนข้างในของเราแล้วมันว้าเหวนะลึกๆเพราะเหตุลใยเพราะมันเราคิดไปข้างหน้ามันถึงจุดจบเว้นเสียแต่คนไม่คิดแต่ตามไม่จริงคนะระดับนั้นเราต้องคิดล่ะเพราะเหตุใด คนที่จะ ส, สวงหาทรัพย์ได้ขนาดนั้นจะไม่คิดถึงอดีตอนาคตปัจจุบันเฉยคงคงจะไม่ใช่นักบริหารนักบริหารมันต้องคิดมีแต่ว่าคิดไปทางข้างนอกหรือเปล่ามีแต่ว่าคิดว่าตายแล้วศูนย์ใครแค่ว่าสำทับตัวเองไว้ในใจตายแล้วศูนย์เอออันนั้นปิดประตูไว้จากนั้นก็เอา ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อันไหนที่จะเกิดประโยชน์เราจะแสวงหาทรัพย์จุดนั้นอันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่คําว่าตายแล้วศูนย์ศูนย์จริงหรือเปล่าหรือกว่าหลอกตอนเองเท่านั้นหลอกหรือว่าตอกตอนเองให้ทําความชั่วเท่านั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีชัดเจนในจิตใจอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราได้เจอได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราต้องศึกษาศึกษาทั้งสองอย่างอาหารกายเราก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องการแสวงหาทรัพย์ปัจจัยสี่ข่าวน้ำโภชนาอาหารผ้านุ่งหม่มยากแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยอันนี้คือว่าปัจจัยสี่อาหารของร่างกายแต่อาหารของจิตใจ มันคนละแนวกันอาหารของจิตใจนะคือความดีคือบุญบุญคือคุณก็คือคุณงามความดีในหลักของพุทธศาสนานี่ก็คือบุญกุศลคิดไปในทางที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีอันนี้คืออเป็นอาหารทางด้าน จ, จิตใจถ้าพวกเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วแปลว่าเป็น สิ่งที่เป็นอัปมงคลเข้าสู่จิตใจเป็นน้ํากรดเขามาลาดจิตใจจิตใจของเราจะอับเฉามีความทุกข์มีความเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะมันคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ใจของเราก็มีแต่วิตกกังวลว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าเพราะหะไรเพราะเราคิดไปในทางที่คิดไม่ดีก็ทําไม่ดีแล้วก็พูดไม่ดีถ้าเราคิดดีทดําดีพูดดีย้อนหลัง ไปถึงปัจจุบันแล้วก็จะทำไปในอนาคตอีกมีแต่ไปในทางที่ดีใจของเราก็มีที่พึ่ง เ, เป็นหลักเรียก ว, ว่ามีหลักยึด เ, เป็นทางด้านจิตใจอันนี้ประวัติหาหลักให้ทางจิตใจก็คือคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าเอาไปมีแต่สะแสวงหาทรัพย์อย่างเดียว พวกเราคิดคิดดูให้ดีก็แล้วกันว่าการสสแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวภายนอกแปลว่าเป็นผู้เจริญเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์หน้าตาชุมชนสังคมใช่คนในชุมชนสังคมก็ยอมรับะคนที่มีตังมีเงินมีฐานะดีแต่พวกเราคิดให้ถึงจุดจบของชีวิตดูสิว่าเป็นยังไงถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงถึงร่างกายเนี่อา้าวอาหารทุกคาคาละแสนและล้านก็เถอะมาทาน ผ้านุ่งหม่มราคาแพงขนาดไหนก็เถอะมานุ่งหม่มยาราคาแพงขนาดไหนก็เถอะ <c oughs> มาเยียวยาร่างกายที่อยู่หลูละหลูหลาโอ้อาขนาดไหนก็เถอะให้ร่างกายนี้อยู่อถ้าอยู่ไปห้าหกสิบเจ็ดสิบปีอย่างหลวงพ่อเนย <c oughs> อหลวงพ่อก็จะต้องมองเห็นเออตาผมของเราเงาะไป ขาฝ้าฟางังหูเริ่มตึงหนังเริ่มเหี่ยวสุขภาพร่างกายของเราชักจะไม่ไหวแล้ววะแหมมองมองดูแล้วท่นี้ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็ดีเถอะเลี้ยงร่างกายมันถึงจุดจบของมันหมดอายุของมันแก่เจ็บตายในที่สุดนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าเลี้ยงร่างกายเนี่ยเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะมีจุดจบของมันเพราะมันหมดสภาพ การเป็นอยู่ของร่างกายแต่จิตใจนั้นหมดไม่เป็นนะท่านว่าหมดร่างกายไม่มีป่าชา้าในเมื่อเราเลี้ยงร่างเลี้ยงร่างกายใจของใจของเราเมื่อเราเลี้ยงใจของเราใจของเรามีกําลังใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นแหะน่าเลิศประเสริฐอันนั้นเราต้องศึกษาเราต้องศึกษาแนวทาง เพราะโลกทั้งโลกไม่ว่าวิชาแขนงไหนต้องศึกษาพระพุทธเจ้าท่านอยู่ในเวียงวังมีความสุขขนาดไหนมีพร้อมหมดทุกอย่างอายุถึงยี่สิบเก้าปีกำลังวัยกำลังหนุ่มแน่นวัยกำลังคิดละเลยได้ทั้งหมดแต่พระพุทธองค์มองดูในอนาคตไปในอนาคตพระองค์ก่อนยอมว่า ความแก่เจ็บตายนะั่จะมาอย่างไงเพราะนั้นพระองค์จึงยอมเสียสละราชสมบัติแต่ไม่มีใครมองเห็นในใจของท่านแต่คนทั้งหลายในยุคส ม, มัยนั้นก็คงจะประนามแล้วก็คงจะดูถูกแล้วก็คนจะทําไม่ออกนอกตู้นอกทางขนาดนี้สิทธิถาออขนาดราชสมบัติมีอยู่ทําไมหนีออกไปทําไมออ่ไปอยู่ในป่ารงพงไพไปอยู่ตามลําพัง พระองค์ไปอยู่ตามลำพังถึงหกปีไปค้นคว้าศึกษาแต่ในใจในพระไทยนะั้นในใจของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีใครมองเห็นว่าพระพุทองค์คิดเรื่องอะไรชิตตถะคิดเรื่องอะไรในช่วงนั้นไม่มีใครมองไม่มีไม่มีใครรู้แต่พระไทยของพระองค์พระองค์เต็มพระไทยจนยอมเสียสละราชสมบัติเป็นที่รักของคู่ขนทั้งหลายจากนั้นพระองค์บําเพ็ญที่หกปีเออ จนรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคําสอนออกมาเนี่ยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา 8, 40, พระธรรม 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์ของพระพุทธทเจ้าล้วนแล้วจะเป็นนิยานิกระทามนําผู้ประกอบปฏิปพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดีสรุปแล้วคนดีตามลําดับลำดับดี1ดี2ดี ส, ดสจนดีเลิศดีเลิศก็คือผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวัคิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร อันนั้นแปลว่าดีเลิศอันดีรองลงมาก็มีหลายดีนะดีที่พระพองค์ยอมรับได้ก็คือคนที่มีศีลห้าผู้ที่มีศีลห้าเนะี่เป็นคนดีเริ่มต้นไม่คิดฆ่าไม่คิดขโมยเขารบสิทธิ์ในสามีภรรยาคนอื่นไม่โกหกไม่ดื่มสุราให้ขาดสติ ไม่ดื่มของมืนเมาให้ขาดสตินี่แหละอันนี้คือคนดีในระในระดับระดับต้นสำหรับฆรวาดญาติโยมจากนั้นก็ดีต่อไปอีกจนชําละใจกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดจดไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอีกเป็นอนันตการอันนั้นคือดีเลิศในหลักธรรมคำสอน เพราะนั้นการศึกษาให้พวกเราศึกษาไม่ว่าวิชาขแขนงไหนจะบ่อยไม่ชาววิศวะสถาปนิกเกษตรอะไรก็ตามเขาต้องเรียนซะก่อนรู้ซะก่อนจึงเขียนเป็นตําราออกมาอย่างที่เราเขาเขียนเป็นตําราออกมาตำราเนี่ยมันเกิดมันเกิดก่อนปฏิบัติ แต่พวกเรามาคิดว่า ม, มันเขียนเป็นตำราเจาก่อนจะมาปฏิบัติตามหลังอันนั้นมันก็ใช่แต่ตามให้จริงปฏิบัติเจาก่อน อ, อย่างปลูกต้นไม้เราจะปลูกยังไงมันได้ผลปลูกยังไงไม่ได้ผลเขาทดลองทดลองทดสอบอยจนเป็นที่มั่นใจพอได้ผลออกมาจะเนี่ปลูกแล้วได้ผลอย่างที่ปลูกแล้ว ออย่างที่ผลออกมาอย่างที่การกระทําเขาจึงเขียนเป็นตําราออกมาให้พวกเราได้ศึกษาถ้า ใ, ใครนําไปปฏิบัติก็ได้ผลเพื่าอะเพราะเขาทดลองทดสอบมาแล้วอปฏิบัติตามตําราแบบนี้นี่ก็เหมือนกันไม่ว่าวิศวะะแขนงไหนก็มีมันต้องปฏิบัติซะก่อนรู้ซะก่อนแล้วยังค่อยเขียนเป็นตํารา ในเมื่อเป็นตําราออกมาแล้วพวกเราก็นํา ม, มาปปฏิบัติอีกออปฏิบัติถูกต้องไหมแต่เหมือนจะให้ครูสอนบอกเราเชี้นํามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถึงยังไงก็เป็นแนวทางสําหรับผู้ปฏิบัตินี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก่อนจากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงพระธรรมคําสอนออกมา 84,000 พันพระธรรมคันจนมาถึงจุดนี้มายุกถึงยุคนี้บางทีก็อาจจะคาดเคลื่อนเพ 2, 550, ราราศัพท์18ปีให้หลังแต่หลักใหญ่ๆของพุทธศาสนาอย่างที่อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคไตรรักเนจังทุกขังอนัตตาสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรม คือหลักใหญ่ของพุทธศาสนาอย่างของเส้นคงวานำมาพิจารณาการกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วยอมรับกันยอมรับในถักหลักธรรมคาสอนแต่ปีกย้อยส่วนอื่นนั้นเป็นส่วนผสมเป็นส่วนส่วนที่แข่งแย่งกันได้น่าเชื่อไม่น่าเชื่ออันนั้นก็มีมากแต่บางคนก็เป็นจับ ม, มุมสิ่งภายนอกมาทำลาย ส่วนใหญ่แต่ตามไม่จริงเราต้องศึกษาหัวใจซะก่อนหัวใจหลักของพุทธศาสนาจุดยืนของพุทธศาสนาคือตรงไหนอย่างไรถ้าพวกเราได้ศึกษาจุดใหญ่ของพระพุทธศาสนาแล้วพวกเราจะยอมรับอย่างพระพุทธเจ้าไปพิสูจนตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดพอเราไปนั่งภาวนาอยู่ที่โคลนต้นโพวันเดือน6เพนิปุกเพนิวาสานุจติยานและลึกชาติหขนหลังได้ ถ้าพระพุทธเจ้าตายเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวพระพุทธเจ้าจะระลึกชาติทวนหลังได้ยังไงพระองค์ระลึกลำเลิกชาติทวนหลังได้เพราะชาติที่แล้วมีจากนั้นถ้าก็มองไปเรื่อยๆมองย้อนหลังไปเรื่อยๆเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยพูดได้เลยยืนยันได้เลยว่าพระพุทธเจ้าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดถ้าพวกเราอยากจะรู้ ตามแนวแถวของพุทธท่านก็ได้เขียนตำราวไว้แล้วเนี่ยอย่างที่หลุงพ่อได้พูดว่าก่อนที่จะมีตำราขึ้นมาท่านปฏิบัติกอดแล้วท่านปฏิบัติอย่างไรท่านที่เขียนตำราออกมาในเมื่อท่านเขียนตำราออกมาเราก็มาปฏิบัติตามตำราทดลองโดยเสียงอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านปฏิบัติตามตำราที่พระพุทธเจ้าที่ได้สอน ท่านก็นั่งสมาธิอย่างพระพุทธเจ้านั่งจากนั้นใจของผูบาอาจารย์ท่านก็ว่าจิตใจรวมสงบอแต่หลงผูกมันยังบอกอถ้าเราบริกรรมถ้าหากว่าเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกธรรมดาเนี่ยมันเผลอได้ง่ายหลงลืมได้ง่ายมันหายได้ง่ายควรจะสำทับพุทธโธเข้าไปด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโท หลวงปู่มั่นท่านยังเสริมทำทำคาสำทับคําบริกรรมเข้าไปอีกก็เป็นที่ยอมรับของสิทธิ์ยาวนั้นสิทธิ์ของหลวงปูม่มั่นเออใช่ถ้านเรากำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยเฉยมันเผลอได้ง่ายเ ร, <viens. S 2> เราสำทับพุทโทเข้าไปอีกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทในหลวงพ่อเขาจังบอกอีกว่าให้พวกเรานับดูซั พวกเราจะรู้ได้ว่ามันเผลอในช่วงไหนอีกในขณะที่บริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทมันอาจจะมีช่วงเผลอไปพร่านึงแต่บัดนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายเวลาหายใจเข้าให้นับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่ห้าหกเจ็ดแปดถึงร้อยถ้ามันไม่เผลอเลย แ, แปลว่าเรามีสติดีนาทีกว่า แต่มันเผลอมันเผลอในช่วงไหนนับไปถึงสิบมันเผลอแล้วหรือนับไปถึงยี่สิบมันเผลอแล้วมันเผลอมันเผลอยังไงเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้ามันเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่ไปถึงร้อยแต่พอมันจะเผลอมันจะเบอร์เพราะเบอร์เสร็จแล้วมันจะ หายใจเข้าคู่นะเถะเนี่ยคู่ขี้ได้เถอะเนี่ไม่ใช่ขี้คู่นะอให้พวกเราสังเกตพอมันเพลิ่ช่วงไหนให้เรากลับมาเออเรานับไปถึงยี่สิบมันเพละะเ อ, อ่งอตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอีกหายใจอีกนี่แหละวิธีการฝึกสติให้อยู่กับตัวเองถ้าคนมีสติสัมปชัญญะดีแล้วนะต่อไปจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตสู่อยู่ความสงบจิตอยู่กับตัวเองนั่นแหละ ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในว่าสมาธิมีสมาธิดีการคิดอ่านเรื่องอะไรก็เป็นผู้รอบคอบเพราะสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดคิดผิดคิดถูกทาถูกทาผิดอันไหนควรไม่ควรอย่างไรอันไหนสูงอันไหนต่ำอันไหนการะเทษะยังไงสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดจะรู้เหมือนกับคนเจ้าเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลาอจะไปที่ไหนไหนก็มีสติ ขอให้ฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะเนีนนะ่คือการหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิทยาศ า, ศาสตร์ไกลๆนะหลวงพ่อว่านนะ่านบพวกเรานำมาประพุทธปฏิบัติประปรุงกายวาจาใจของเราอยูนะ่สถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความสุขสุกกายสุขใจให้การส ะ, สะแสวงหาทรัพย์ก็ให้ส ะ, สะแสวงหาแต่อย่าไปทุ่มเทจนมีแต่เรื่องทรัพย์สมบัติเท่านั้นละ่ะ มีคุณค่ามีประโยชน์พอตายไปแล้วบ้านใครบ้างได้เอาเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนใส่กระเป๋าไปด้วยมีไหมไม่มีทิ้งทั้งหมดขนาดร่างกายของตัวเองก็ยังทิ้งก็ยังเผาไฟทิ้งส่วนสมบัติอย่างอื่นละ่ะยศถาบรรดาศักดิ์อย่างอื่นละ่ะญาติพี่น้องยญาติี่โกโหติการลูกหลานทั้งหลายทั้งปวงทิ้งทั้งหมด แล้วจะเป็นของเราได้ยังไงถูกไหมที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้วา่าร่างกายสังขารมันไม่ใช่ของเรานะออของเรามนะันคืออะไรพระพุทธองค์ไปแยกแยะดูแล้วที่โคลนต้นโพลเมื่อ น, นั่งภาวนานั่งภาวนาจิตสงบลงไปนะั้นท่านรู้ด้วยพระองค์เองว่ากายกับใจใจกับกายกายนี่ยเป็นรู ป, ปรธรรมที่มันแตกสลายลงสู่ทินน้ำลมปนะ่วยนั่นคือกาย ใจคือนามะรมสิ่งที่รู้ร น, นึกนึกคิดคิดอยู่เนี้ยน่ะนี่แหละคือใจตัวนี้ไม่ตายหลวงตามหาบัวยังบอป่าช้าใจไม่มีมีแต่ป่าช้าร่างกายเแต่พวกเราท่านทั้งหลายวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขาก็บอกว่าอันนี้คือสมองใช่สมองนั่นก็เป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องใช้ของใจใจก็ต้องเนี้นะมาใช้สมองเนียนะเหมือนกับพวกเราใช้คอมพิวเตอร์ในรถอย่างนั้น่ะ พอสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วก่อคอมพิวเตอร์มันก็ทำงานพอทำงานขึ้นมาแล้วก็รู้ได้ว่ามันโชว์ตัวไหนไฟมันโชว์ตัวไหนโชว์ล้อหน้าโชว์ล้อหน้าและโชว์ล้อหลังซ้ายขวาตาหลีตาซ้ายตาขวาบเบรกเป็นยังไงเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาที่จอนี่ก็เหมือนกันแต่ตัวของเราไม่ใช่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะ เพียงแต่เราไปใช้อันนี้ก็เหมือนกัน่ะใจของเรามาอยู่ในร่างกายเนี่ยอมันก็ต้องใช้สมองนั่นใช้คอมพิวเตอร์ในสมองสั่งการสั่งงานแต่ผู้ที่มาใช้สมองนั้นน่ะวิทยาศาสตร์ยังหาตัวไม่เจอถึงแต่สมองคือรู ป, ปรธรรมแต่ส่วนนามรธรรมตัวนั้นแหละจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆวิทยาศาสตร์ยังค้นคว้าไม่ไม่ได้ฮะ เราจะไปเชื่อแต่ ว, วิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่ได้นะวิทยาศาสตร์ค้นที่เท่าเขาที่จะค้นได้เท่นเองนะไอที่ขเขาสิค้นไม่ได้นั่นก็ทีมากมายมหาศาลเหมือนกันทําไมยังหลวงพ่อจงพูดอย่างนั้นอา้าวทีพวกเราคิดดูสิานาซาที่ว่าเก่งเก่ง เ, เก่งในห้วงอวากาศะไปถึงดวงดาวกี่ดวงแล้วดวงดาวในท้องฟ้ามหาอ่า ท้องฟ้านะ่ะมากมายมหาศาลขนาดไหนเขาได้กี่ดวงเนะ่ะที่เขาคนะ้นเ่ะนได้ไม่กี่ดวงเองไอ้จานวนที่เหลือนั่นเป็นยังไงเขาค้นได้ไม่ยั่งนะยังแปลว่ายังไม่ได้เนมะื่อยังไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังโง่อยู่ในจุดนั้นนะอพออยังค้นไม่เจอนี่แหละโลกอันมันมีมากมายนะข้ศราชกาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้ศึกษาอหลักศึกษาและหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่ารว่ากายกับใจใ จ, ใจกับกาย ใจเป็นนายใจเป็นนายกายเป็นเบาวใจเป็นเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดคือใจในหลักของพุทธศาสนานะมโนปุพังคัมมาธรร ม, มามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละท่านเน้นเรื่องของใจในเป็นใหญ่คือตัวผู้รนะู้นั่นน่ะนามธรรมตัวนั้นเป็นใหญ่กว่าร่างกาย รับผอนอนุโมทนาให้พร น, นวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพวกเราคณะทาญาติโยมแนวความคิดหนึ่งนะ